ทำหน้าที่ให้ธรรมะแก่ญาติโยมสาธุชนได้สดับตรับฟังพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอาตมาเองก็ได้นำธรรมะบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ยักษ์เมืองคโคลเวียนมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นประจำท่านผู้ฟังก็คงจะถ้าติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำคงจะจาเสียง ของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระมหาเสริมชัยชั ย, ยมังคโลได้ซึ่งท่านจะทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจำของรายการธรรมสู่สันติแห่งนี้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า20ปีสาหรับวันนี้อาตมาก็จะได้นำพระธรรมเทศนาของท่านมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังซึ่งวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องความกระตันยูกระตะเวที ซึ่งท่านไปแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ไว้ที่วัดพระพลาชัยจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านมาตั้งใจรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคลโลโดยพร้อมกันนาบัตรนี้นะโมตัสสะวะโตออราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ปัวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะปัจขวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาระโวจะนิวาโตจะสันตถีจะกัตัญยุตากาเลนะธรมตันางเอตัมังคะลุมตมมันตี ja ณบัดนี้อาตมภาพจยากได้อ ธ, ธิบายขยายความในพระพุทธภาษิตอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่เทพบุตรซึ่งได้รับบัญชาจากท่านท้าวสักกะเทวราชให้เป็นผู้มาทูลถามพระพุทธองค์ว่าอะไรเป็นมงคล คือความสุขสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสูงที่สุดนะพระเทตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีในยามราตรีล่วงปฐมยามแล้วพระพุทธองค์จึงได้จงอนุเคราะห์ตรัสหลักปฏิบัติตนให้ถึงซึ่งความสุขสวัสดีอันประเสริฐสูงที่สุด ชื่อว่ามงคล38ประการแก่เหล่าทวยเทพพยายดาทั้งหลายแล้วในวันรุ่งขึ้นจึงได้ทรงแสดงมงคลทั้งส8ประการนั้นแก่พระอานนท์เพื่อให้ได้รู้แล้วนำไปบอกกล่าวแก่พระภิกษุทั้งหลายเพื่อเป็นหนทางประพฤติปฏิบัติตน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 นี่เป็นมงคลอันประเสริฐสูงสุดซึ่งในวันนี้จะได้แสดงธรรมในหัวข้อความกตัญญูเป็นมงคลสูงที่สุดการรับฟังพระธรรมเทศนาก็จัดเป็นความประพฤติปฏิบัติที่มงคลที่เป็นมงคลประการหนึ่งด้วยว่า การรับฟังประเมธรรมเทศนานั้นย่อมเกิดปัญญารู้ทางเจริญทางเสื่อมทางบุญทางบาปทางที่ควรละทางที่ควรยึดเป็นแนวทางดำเนินและทางที่ควรงดเว้นไม่ควรดำเนินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมาปรารัการมรณกรรมของญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดาซึ่งเป็นที่เคารพรักของบุตรหลานดังนี้พระธรรมที่ควรจะทราบมากที่สุดก็คือว่ามนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายและบรรดาสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสกกา g สันเสริญสุขที่รวมความเรียกว่าสรรพสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายมีธาตุมีขันและปรุงแต่งด้วยผลของกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วประดาที่มีที่มีชีวิตก็ดี หรือไม่มีชีวิตก็ดีต่างตกอยู่ในกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติเสมอกันหมดคือเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีแก่มีเจ็บและมีตายนี้เป็นของธรรมดา ไม่มีใครที่จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปจนไม่มีจบสิ้นได้จะต้องแกจะต้องเจ็บและจะต้องตายไปด้วยกันในที่สุดทั้สิ้นเมื่อผู้ที่ได้เพ่งพินิษพิจารณาสัจธรรมเช่นนี้แล้วย่อมพิจารณาเห็นต่อไปว่า หากผู้ใดเข้าไปยึดมั่นไปถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นเขานั่นเป็นของเรานั่นเป็นของเขาอย่างนั้นแล้วย่อมก่อให้เกิดทุกทุกผู้ทุกนามผู้ใดเข้าไปยึดถือมากเพราะความหลงผิดเช่นนั้นก็ย่อม มีความทุกข์มากแต่ถ้าผู้ใดยึดถือน้อยก็ย่อมมีความทุกน้อยบัณฑิตทั้งหลายจึงต้องเพ่งพิจารณาสัจธรรมในข้อนี้ว่าบรรดาสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตมีวิญญาณและไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สริงคารลากยศสักการะสันเสรสุกใดๆต้องตกอยู่ในกฎเกณฑ์นี้ด้วยกันทั้งสิ้นเป็นธรรมดาเป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติว่าเกิดมีแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงแปรผั น, นไปเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายดังนี้เมื่อเห็นสัจธรรมข้อนี้ก็ จะสามารถวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสปปรรพสิ่งทั้งหลายแม้แต่สิ่งที่มีชีวิตแม้แต่เป็นบุคคลที่เรารักเราเคารพเราเทิดทูนเพียงใดเราก็เห็นสัจธรรมข้อนี้ได้ว่าเป็นธรรมดาของการเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็จะได้คลายความเศร้าโศกเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสียได้ ขึ้นชื่อว่าความเศร้าโศกเพราะความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั้นย่อมเป็นทุกข์เพราะเข้าไปยึดมากเป็นทุกข์มากยึดน้อยเป็นทุกข์น้อยไม่ยึดเลยซึ่งเป็นอาการเป็นจิตใจเป็นปัญญาของพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดก็ไม่มีความทุกข์เลยดังนี้แต่ความหมายของการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หมายความว่าจะให้ บุตรหลานญาติมิดไม่รำลึกนึกถึงผู้วายชนเลยเช่นนั้นหาไม่ได้แต่ความหมายของคำว่าไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็หมายความว่าให้เห็นเป็นความสั จ, จเป็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วมีมาแล้วจะต้องพลัดพรากจากไปแตกทำลายไปไหนที่สุด เมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือทรัพย์สิงคารใดๆก็จะต้องแตกทำลายไปในที่สุดและผลที่สุดแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องตายผู้ที่เทศอยู่นี่ก็จะต้องตายกลายเป็นอากาศสธาติกลายเป็นดิน เป็นน้ําเป็นลมไปในที่สุดเรียกว่าเป็นอนัตตาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นสัจธรรมที่สําคัญซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีปัญญาพึงเพ่งพินิษฐพิจารณาบ่อยๆเนืองๆจะได้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดนั้นเสียด้วยเห็นเป็น ของธรรมดาที่มีอยู่ในโลกไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเข้าใจดังนี้มีปัญญาแจ้งชัดขึ้นมาอย่างนี้ได้คลายหายจากความโศกเศร้าเพราะเห็นเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่แหละคื อ, อานิสงของการฟังพระธรรมเทศนาและเมื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็จะเกิดปัญญา และก็จะให้มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวพร้อมก่อนคิดพูดธรรมและในขณะคิดพูดธรรมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งดังกล่าวนี้นี้เป็นทางดำเนินไปสู่ความบริสุทธิ์กายวาจาใจในที่สุดและนี้แหละคืออานิสงสำคัญของการรับฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งจัดเป็นมงคลอันประเสริฐสูงที่สุดอีกอย่างหนึ่งแต่ในวันนี้ใครจะเน้นถึงความประพฤติปฏิบัติธรรมอันจะนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขอีกประการหนึ่งที่สําคัญยิ่งเป็นประเด็นสําคัญที่จะยกขึ้นมากล่าวในวันนี้ก็คือความกตัญญูกะตะเวทิตาซึ่งแปลความว่า การรู้การรำลึกถึงพระคุณผู้มีพระคุณแล้วก็ตอบแทนคุณผู้ผู้มีพระคุณนั้นเป็นมงคลอันประเสริฐเป็นทางเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัติและแก่ผู้มีคุณทําข้อนี้มีบาลีรับรองว่า สาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาว่าความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งบุคคลใดมีแก่บุพการีคือผู้มีอุปการะแก่คนแก่ตนเองก่อนนั่นเป็นเครื่องหมายของคนดีมาบัดนี้ท่านเจ้าภาพได้จัดให้มีพระธรรมเทศนา อาตมาภาพก็จะแสดงเน้นถึงความกตัญญูกตตะเวทีข้อนี้ซึ่งมีความหมายเป็นสองคำหรือเป็นสองความหมายว่าการรู้และรำลึกถึงพระคุณผู้มีพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่หรือบิดามารดานี้ประเด็นหนึ่งแล้วตอบแทนคุณแก่ผู้มีพระคุณ นี้อีกประเด็นหนึ่งสองคำนี้รวมกันอยู่เป็นคำเดียวกันว่ากตัญยูกะตะเวทีเมื่อมาพิจารณาถึงคุณความดีของคุณโยมผู้วายชนไปแล้วนั้นกล่าวแต่เฉพาะความดีทั่วไปของคุณบิดามารดาแล้วแม้จะเอาความยาวความกว้าง ของดินฟ้ามาหาสมุทรมาเป็นเครื่องวัดก็ไม่สามารถที่จะวัดถึงคุณความดีของคุณพ่อคุณแม่หรือบิดามารดาได้ในทางธรรมะนั้นเรารู้เราเข้าใจเราศึกษาและได้ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติว่า ก่อนแต่สัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์นี้จะได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นถธรรมที่สุดละเอียดหรือที่เรียกว่ากาเนิดธาตุธรรมเดิมของเราเองในชาติก่อนที่ได้เคยประกอบคุณความดีในระดับมนุษยธรรมมาแล้วเป็นธาตุสำเร็จ รวมอยู่ในวิญญาณธาตุหรือวิญญาณธาตุตั้งอยู่ในธาตุธรรมนั้นซึ่งประกอบด้วยธาตุละเอียดของขันหะและธรรมชาติอื่นๆ อ, อีกมากมีธรรมชาติที่เป็นบุญเป็นบาปที่เราได้เคยกระทํามาแล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นบุญเป็นผู้สในระดับมนุษยธรรมสะสม อบรมแล้วก็เป็นชนกกรรมนำให้มาเกิดนั้นวิญญาณธาตุซึ่งตั้งอยู่ในธาตุละเอียดที่เรียกว่ากำเนิดธาตุำเดิมนั้นได้มาปรากฏอยู่ที่ศูนย์กลางกายของบิดาก่อนมาตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายของบิดาก่อน ภายในกําหนดระยะเวลาประมาณเจ็ดวันธาตุธรรมนั้นหรือวิญญาณนั้นก็จะถูกอายตนะโลกมนุษย์ดึงดูดให้มาปรากฏอยู่ที่ศูนย์กลางกายของมารดาแล้วจึงตั้งปฏิสนธิวิญญาณเรียกว่า เป็นกระรูปมาปรากฏตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายของมารดาที่ขั้วมดลูกนั้นทีเดียวมีสันฐานกลมใสประมาณเท่าหยาดน้ำมันงาที่ติดอยู่ที่ปลายขนจามารีอันบุรุษผู้มีกำลังสลัดออกเสร็จแล้วเจ็ดครั้งนั่นแหละเล็กใสเพียงเท่านั้น มาปรากฏอยู่ที่หัวมดลูกของมารดาเป็นการตั้งปฏิสนธิวิญญาณด้วยกละรูปต่อเมื่อจเจริญวัยขึ้นมาแล้วจึงจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นก้อนเนื้อแล้วก็แตกออกเป็นปัญจักสาขาเป็นสาขาของศรีรษะหนึ่งมือสองเท้าสอง เป็นห้าแล้วเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นกายใจจิตวิญญาณเป็นทารกในคันมารดาแล้วคลอดออกมาจากกันมารดาเราจะเห็นว่าเบื้องต้นแต่จะมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณ น, นั้นผู้ที่จะมาเกิดหรือผู้ที่จะเป็นบุตรนั้นวิญญาณของบุตร ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางกายที่เรียกว่ารูปกายรูปกายนี้ใหญ่โตเป็นทิพย์วิญญาณตั้งอยู่ที่กลางกายทิพย์แต่กายทิพย์น่นก็ตั้งอยู่ที่กลางกําเนิดธาตุทำเดิมเล็กที่สุดประมาณเท่าหยาดน้ํามันงาอันติดอยู่ที่ปลายขนจามจรุรีจามจรุรีเรียกว่าจามมารี อันมัดชิ ม, มูรุสละรัทแล้วเจ็ดครั้งมาตั้งอยู่ที่ท่ามกลางหรือศูนย์กลางของบิดาก่อนแล้วจึงมาตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายของมารดาที่คั้วมดลูกนั่นเราจะเห็นว่าเมื่อมาตั้งอยู่เช่นนั้นแล้วสายโลหิตของบิดาและมารดานั่นเองจึงมาประสมหล่อเลี้ยง ให้วิญญาณอันตั้งอยู่ที่ท่ามกลางกายทิพย์และตั้งอยู่ที่ท่ามกลางกำเนิดธาตุทำเดิมซึ่งมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณนั้นค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นด้วยธาตุมีน้ำดินไฟลมอากาศวิญญาณเป็นต้นและด้วยขันที่รวมเรียกว่าขันห้าขันห้านี้ในทางพระ เรียกว่ารูปขันอย่างหนึ่งนี้สำหรับที่จะเจริญเติบโตมาเป็นกายน้ำมะขันอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติของใจได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถากล่าวภาษาง่ายๆก็คือเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นกายใจจิตวิญญาณนั่นเองแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นเป็นเด็กทารกในขันแล้วก็คลอดออกมาจากขันจึงเป็นส่วนะสม ของสายเลือดสายโลหิตของทั้งบิดาและมารดารวมทั้งผลกรรมของเราแต่ในอดีตเป็นชนกกรรมนําให้มาเกิดเป็นมนุษย์ดังนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราได้อาศัยศูนย์กลางกายของทั้งบิดาและมารดามาตั้งปฏิสนธิวิญญาณและเจริญเติบโตมาจนบัดนี้ นี้ก็เป็นพระคุณที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ความได้บังเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่ใช่เกิดได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าหากว่าผลกรรมของเรานั้นไม่ดีพอก็จะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุ ก, กติภูมิเช่นภูมิของเปรตสัตว์นรกรรอสุรกายสัตว์สิริขานเป็นต้น โอกาสที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ยากเข็นนักยากนักและเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังจะได้พบพระพุทธศาสนานั้นยิ่งยากไปอีกเมื่อพบพระพุทธศาสนาแล้วจะมีโอกาสได้รับฟังพระธรรมเทศนาได้รับการศึกษาอบรมในธรรมะของพระพุทธองค์ก็ยิ่งยากไปอีกและเมื่อได้รับฟัง พระธรรมเทศนานได้รับการศึกษาอบรมแล้วจะมีความรู้ความเข้าใจไปถึงธรรมะของพระพุทธองค์อย่างของแท้ก็ยิ่งยากไปอีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามบิดามานานั้นแหละเป็นที่ตั้งที่พักที่พิงให้แก่เราได้มีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาพบพระพุทธและพระธรรม คือคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทางใดเป็นทางที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขทางใดเป็นทางที่นำไปสู่ความเสื่อมอันเป็นความทุกข์เดือดร้อนเราก็ได้อาศัยคุณบิดามารดานั่นแหละเป็นที่ตั้งปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณเป็นที่เจริญเติบโตเป็นคารกแล้วก็เกิดมาเป็น บุคคลเติบใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็เพราะคุณบิดามารดาเป็นเบื้องต้นในส่วนท่ามกลางนั้นล่ะบิดามารดาซึ่งให้กำเนิดแก่เราแล้วดังนี้ยังจะต้องดูแลพิทักษรักษาเราอุปมาดังว่าเป็นพระพรหมของลูกที่ว่าเป็นพระพรหมของลูกคืออย่างไร ได้เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงปกปักรักษาเราตั้งแต่อยู่ในคันนั้นแหละแม่หรือมาดาก็าต้องได้รับความลาบากต้องรักษาต้องบริหารคันให้เด็กทารกในคันนั้นจเจริญเติบโตด้วยดีส่วนพ่อเล่าทำมาหาเลี้ยงชีพนำปัจจัยอุปกรณ์เครื่องใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภค เรื่องบำรุงมารดาและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขถึงแม้ว่าไม่ได้อุ้มท้องเองแต่ก็ทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาประคบประงมตลอดมาจนกระทั่งเราได้คลอดมาเป็นเด็กทารกและเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ดูแลปกปักรักษาไม่ให้อนาทรเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษา ปกปักรักษาจกนกระทั่งเติบใหญ่บางท่านอาจจะเจริญเติบโตไปจนมีครอบครัวแล้วพ่อแม่ก็ยังติดตามไปดูแลปกปักรักษาอยู่นี่คือพระคุณของพ่อแม่ในฐานะที่เป็นพรมของลูกปูชาจะปูชนียานเอตัมมังคะมุตตัมัง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 พิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการบูชาาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคล สาธุชนกำลังติดตามรับฟังสารธรรมจากรายการธรรมสุสันติที่จบไปนั้นก็เป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยบมังคลโลในเรื่องความกตัญยูกระตะเวทีทึ่งหลวงพ่อได้รับอาราธนาไปแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ณวัดพระพลาชัยกรุงเทพเนื่องในงานชาปนกิจศพจึงแสดงเรื่องความกตัญญูกะตะเวที ให้แก่ท่านเจ้าภาพซึ่งเป็นบุตรหลานญาติสนิทมิสหายได้รับฟังและได้ตระหนักถึงความกระตัญยูกระตะเวทีต่อผู้ที่วายชนหรือล่วงลับไปแล้วธรรมะบรรยายเรื่องนี้หรือพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ยังมีอีกอยู่หนึ่งตอนแต่เวลาของธรรมะสู่สันติวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแ ด, ด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร